แล้วทำเทศนาลำดับที่สิโดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีมีเชื่อเรื่องว่าปรวรณาตนเพื่อความผาสุกในการอยู่ร่วมกันเอาตอนนี้ไปฟังหลวงพ่อจะได้กล่าวสมโภชนิจการหรือว่าจะแนะนำให้พวกเราได้ทราบ สิ่งที่ควรจะรู้จะทราบเพราะพวกลูกหลานเกิดใหม่ใหญ่ทีหลังก็มีหรือว่าผู้เฒ่าผู้แก่บางท่านก็ไม่เคยได้เข้ามาสู่วัดวาศาสานาอาจจะยังไม่เคยได้ยินเพราะว่าอย่างที่หลวงพ่อได้พูดกล่าวมาหลายครัง้งว่าผู้ฟังธรรมย่อมได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ยินได้ฟังสิ่งไหนที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังก็จะได้ฟังสิ่งนั้น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 ลมเย็นเป็นสุขในจิตใจฮะอันในสงแห่งการฟังเพราะนั้นพวกเราทุกๆ ท, ท่านไปนักสถานที่ใดก็ต้องอาศัยกรารการได้ยินได้ฟังเพราะเป็นการศึกษาเพราะลูกหลานเกิดมาบางทีก็พอใหญขึ้นมากระสงเข้าโรงเรียนจากนั้นขอเรียนประถมมัธยมปริญญาตรีโทเอกก็ไม่ได้ศึกษาไม่ได้สนใจเรื่องพระพุทธศาสนา ก็มีจะรู้เรื่องของพระพุทธศาสนาได้อย่างไรเมื่อเราสนใจสิ่งไหนเราก็รู้สิ่งนั้นเพราะนั้นผู้ที่ผู้สูงอายุที่เป็นพ่อแม่ก็เหมือนกันก็มกมุ่นในการทำมาหาเลี้ยงชีพเลี้ยงลูกกว่าจะใหญ่โตขึ้นมาได้ก็จะไม่ได้ไม่ได้สนใจเรื่องพระพุทธศาสนาแต่พอเลี้ยงลูกหมดภาระแล้วก็เออหันหน้าเขามาสนใจ เรื่องพระพุทธศาสนาอย่างนี้ก็มีแต่บางบางคนก็สนใจมาแต่เล็กตน้อยก็มีถ้าผู้สนใจแล้วก็อันนั้นก็คือคนนั้นก็คือจะรู้เรื่องของพระพุทธศาสนามาโดยตลอดเพราะทำคำสอนของพระพุทธเจ้ามีมากลากหลายเป็นแนวความคิดสำหรับพวกเราเป็นครวาวาิญาติโยมควรทำตนอย่างไร เมื่อเป็นเด็กทำตัวอย่างไรเมื่อเป็นผู้ใหญ่ทำตัวอย่างไรเป็นพ่อแม่ครอบครัวมีทำตัวอย่างไรจนถึงเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาเป็นสมมาเนนเป็นพระหนุ่มพระนวกะเป็นพระใหม่จากนั้นก็เป็นพระอนุเถระคือเป็นพระผู้ใหญ่ขึ้นมาจากนั้นก็เป็นพระเถระคือเป็นพระผู้ใหญ่ที่เป็นหัวหน้าแถวควรทำอย่างไรอันนี้พระพุทธเจ้าวางกฎระเบียบด้วยวางหลักพระธรรมวินัย ให้แก่พวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังได้ศึกษาทั้งหมดนี่แหละลือหลักธรรมคำสอนพวกเราจะไปรู้ทั้งหมดก็คงจะเป็นไปได้ยากเพราะนั้นหลวงพ่อเองบางทีก็หยิบจุดนั้นยื่นจุดนี้ให้แก่พวกเราได้ฟังได้ศึกษาอย่างวันนี้ลระเป็นวันสำคัญพวกเราก็จะถามว่าสำคัญอย่างไงครับหลวงพ่อคือเป็นวันสำคัญยิ่งในทางพระพุทธศาสนาเป็นวันประวารณาออกพรรษา ในครั้งพุทธกาลคือพรรษาที่พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ามีอายุมีพรรษาถึง45พรรษาในพรรษาหนึ่งใน45นั้นในวันนี้พระพุทธองค์เสด็จขึ้นไปโปรดพระมารดาอยู่บนสันดาวดึงสันสวรรค์ดาวดึงพระมารดาของพระพุทธเจ้าเมื่อพระพุทธเจ้าไปสู่ได้7วันพระพุทธเจ้าเกิดได้7วันพระมารดาก็สวรรคต ในเมื่อพันสวรรคตท่านก็ไป ข, ขึ้นไปอยู่สวรรค์ชั้นดุสิตนะแต่เนี่ยพระพุทธองค์ก็เป็นเด็กจากนั้นก่อนมีพระแม่เลี้ยง เ, เลี้ยงพระพุทองค์คือนางโคตมีเป็นผู้ดูแลเลี้ยงพระองค์แต่ส่วนพระมารดานนะสวรรคตคือตายไปแล้วเจ็ดวันอันนี้ก็คือเป็นประเพณีของพุทธจะ ถ, ถ้าจะไล่เลี้ยงไปอีกพวกลูกหลานก็คงจะ อยากจะรู้เหมือนกันทําไมตายตายเร็วขนาดนั้นมันเป็นประเพณีของพุท ธ, ธถ้าจะว่าให้ฟังเด็กก็คงจะยืดยาวอีกเหมือนกันประวัติจุดนั้นะแต่พอหลงพอจะเล่าจะเล่าให้เพียงฟังเป็นแนวแนวพวกเราท่านจะได้ศึกษาจากนั้นพระองค์ขึ้นเมื่อใหญ่ขึ้นมาพระองค์ก็ได้ครองราชได้กัอบสิบเอายุ29ปีพระองค์ก็ได้เสด็จ สงผนวดคือไปบวชจากนั้นพระองค์บำเพ็ญทั้ง6ปีในป่าค้นคว้าศึกษาหลักธรรมคำสอนเนี่ย6ปีศึกษาลอ ง, ลองผิดลองถูกเหมือนกับลองวิทยาศาสตร์อย่างนั้นอ่ะแต่ใ น, นท่านทดลองเรื่องจิตติศาสตร์เ่เรื่องจิตใจเรื่องมโนโเรื่องจิตใจเนี่ยเรื่องความรู้ความนึกคิดเนี่ยพระพุทธเจ้าไปทดสอบจุดนี้พระองค์ไปทดสอบอยู่ตั้ง6ปี จากนั้นก็ได้สําเร็จเป็นพระอนุตระสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระพุทธเจ้าในเมื่อท่านสําเร็จแล้วท่านก็สอนประชาชนทุกหมู่หลักได้สําเร็จมากสําเร็จผลตามธรรมคาสอนของพระ อ, องค์แต่เมื่อพรรษาหนึ่งใน45้าพรรษาแต่หลวงพ่อจําไม่ได้ว่าเป็นพรรษาที่เท่าไหร่แต่ในพระไตรปิฎกมีท่านเขาขึ้นไปโปรดพระมารดาท่านลํานึกถึงพระมารดาของท่าน ถือว่าเป็นผู้มีพระคุณต่อพระองค์จากนั้นพระองค์ก็ขึ้นไปไปโปรดพระมารดาถึงสมเดือนอยู่บนสวรรค์สเดือนณวันนี้เราเป็นวันสเสด็จลงมากลับมาเมืองมนุษย์เพราะฉะนั้ น, นชาวพุทธทางหลายเขาจึงว่าถือว่าวันนี้เป็นวันตักบาทเทโวคือเป็นวันตักตักบาทเทวดาคือคำว่าพระพุทธองค์เสด็จลงมาจากชั้นชั้นสวรรค์ลงมาเมืองมนุษย์วันนี้ เป็นวันประวัณาออกพรรษาเนี่ยพวกเราจรึงได้ถือว่าตั ก, ตกบาตรวันนี้คือเป็นวันตักบาตรเ ท, ทวะก็คือวันที่พระพทุทธองค์เสด็จขึ้นไปสู่สวรรค์พวกเราก็ได้ตักบาตร เ, เมื่อพระองค์ลงมาจากสวรรค์ถึง <c oughs> ถือเป็นประเพณีบางแห่งเขาก็ถือเป็นเรื่องใหญ่คือถือว่าเทิดทูนบูชาพระพทุทธเจ้าอันนี้ก็คือถือว่าเป็นวันสําคัญวันหนึ่งวันสําคัญอีกฝ่ายพระสงฆ์ทีนี้ อย่างหลวงวัดของหลวงพ่อเนี่ยมีพระทั้งหมดสี่บแปรูปวันนี้ตอนบ่ายก็จะมีการประชุมกัน <c oughs> เมื่อประชุมกันแล้วก็พระสงฆ์ที่เป็นหัวหน้าอย่างหลวงพ่อเนี่ยอาจจะต้องปร ะ, ประกาศแล้วบอกว่าเวันนี้เป็นวันสําคัญต้องวันเป็นวันปวารณาของพวกเราปรวนารณาคืออะไร พวกลูกหลานก็คงอยากจะทราบเหมือนกันประวารณานคืออะไรประวารณาก็คือประวารณาตนต่อสงฆ์คือการอยู่ด้วยกันเนี่ยทั้ง48รูปเนี่ยทั้งกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมกายกรรมคือคือการกระทําทางกายอาจจะเดินไปอาจจะแดงไม่ความไม่เคารพในอีกองคหนึ่งแลว้วพอการพูดออกไปด้วยความไม่เคารพในอีกองค์นึ่งแล้วว่าคิด ในใจทำไมองนี้ทาไมเ่เป็นอย่างนั้นทำไมเป็นอย่างนี้ใน ใ, นใจขัดข้องหมองใจในจิตใจอันนี้ด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมคือมโนกรรมคือแนวความคิดกายกรรมคือการกระทวาวจีกรรมคือคำพูดในเมื่อวันวันนี้นะ่ะตอนบ่ายก็จะมีการประชุมกันนอแล้วก็สวดคล้ายๆว่าเป็นบอกกล่าววันเออวันนี้เป็นวันสำคัญ ของพระพุทธเจ้าท่านให้พัะ ส, สงทั้งหลายประเรณาต่อกันถ้าว่าใครข้อตามทำไม่ถูกต้องก็ควรจะประเรณาในสงให้สงว่ากล่าวตักเตือนได้จากนั้นหลวงตั้งแต่หลวงพ่อเป็นต้นไปหลวงพ่อก็นั่งกระย่งปนมมือแล้วก็ว่านโมพร้อมกันใชก่อนจากนั้นก็หลวงพ่อก็บอกว่าสร้างคำอวุโสประวารมิดิเทนวาสุเตนวาปริสังกายวา วัดันตุมังอาเจตสัมมันโตอนุกรรมปังอุปาณายปัจฉันโตปฏิกริตสามิอันนี้คือคําบาลีนะแต่ความแปลและความหมายว่าพวกท่านทั้งหลายเห็นเห็นการกระทําของผมด้วยกายก็ดีด้วยวาจากาด็ดีหรือลังเกียจทางด้านจิตใจอย่ที่ผมเป็นมิจฉาจิฐิก็ดีพวกท่านทั้งหลายเห็นว่ามันผิดแปลแตกต่างออกจากหลักพระธรรมวินยัยขอผมขอปรวรณาในสงฆ์ ขอสงจงตักเตือนผมด้วยบอกกล่าวผมด้วยเพราะบางทีผมอาจจะไม่รู้อาจจะไม่เห็นในความผิดของตนเองขอสงทั้งหลายจงว่ากล่าวตักเตือนผมยินดีรับฟังในสงที่ว่ากล่าวตักเตือนนั้นเนี่ยกล่าวถึงสามครั้งจากนั้นก็นั่งลงองค์ที่สองก็พูดขึ้นอีกองค์ที่สามก็พูดจนถึงสี่สิบแปองค์พูดแบบเดียวกันเหมือนเขาเป็ปาวารนาในสงฆ์น่ว่าการกระทาของเราเพราะบางที การกระทําของเราเราอาจจะมองไม่เห็นเหมือนกับผงทุเรีเข้าตาตัวเองอย่างนั้นอ่ะเอา้าทําไมผงทุเรีเข้าตาทำไมเอาออกไม่ได้มันอยู่ในตาใกล้ๆน่ะถ้ามองไม่เห็นเลยมันมองไม่เห็นเพราะมันใกล้เกินไปนี้ก็เหมือนกันการกระทําของตนเองบางทีมันอาจจะไม่เห็นตัวเองกระทําหรือพูดหรือคิดแต่คนอื่นที่เขาเห็นเนี่ยแหละคือบอกให้คนอื่นว่ากล่าวตักเตือนเราได้ฮะ อันนก็คือทำคําสอนที่พระพุทธเจ้าวางไว้ให้พระสงฆ์ปฏิบัติคือวันออกพรรษาเดียวก็ถือว่าวันประวารณาเนี่ยปวารณาคือคือปวารณาตนในท่ามกลางสงว่าสงทั้งหลายเห็นการกระทําของผมด้วยกายด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีลังเกียดทางจิตใจเนก็ดีขอขอให้ว่ากล่าวตักเตือนผมได้นี่แหละอันนี้ถือว่าเป็นวันสําคัญยิ่งแต่ที่หลวงพ่อ ได้นํามาคิดระบมาบอกกล่าวสําหรับจัตยานญาติโยมทีนี้ย้ำสมมุติว่าวันปวารณาพรรษาเนี่ยพระสงฆ์ท่านปวารณาอย่างเนี้ยเราจะนํามาประยุกต์ใช้ในชุมชนในประเทศชาติหรือในครอบครัวหรือในวงการหรือในสํานักงานของเราได้ไหมหลวงพ่อกว่าน่าจะได้บรรจัดเพราะเหตุว่าทำคําสอนของพระพุทธเจ้าไม่ได้จํากัดอยู่จุดใด้จุดหนึ่ง จบแล้วก็คือเพื่อต้องการความผาสุกในการอยู่ร่วมกันแต่ถ้าวันสมมุติว่าครอบครัวของเรามีพ่อแม่ลูกอ่าสี่ห้าหคนเนี่ยบางทีวันไหนวันสําคัญอย่างเป็นวันเกิดของพ่ออย่างนี้เป็นต้นหรือวันเกิดของแม่อย่างนี้เป็นตน้นเอ่อหรือว่าเป็นวันเกิดของญาติผู้ใหญ่ที่เรารับเคารพนับถือเอ่ออย่างวันนี้ที่เราพรพระพุทธเจ้า ที่ท่านบอกให้ว่าวันปวารณาเราก็เชื่อฟังพระพุทธเจ้าวันปรวรณาคือวันออกพรรษานั่นแหละเป็นวันปรวรณากันอันนี้เราก็ควรจะสมสมุติขึ้นมาว่าวันใดวันหนึ่งจากนั้นพ่อก็บอกขึ้นว่าเออลูกแม่บ้านลูกทุกคนเห็นการกระทําของผมไม่ถูกต้องผมยินดีรับฟังนะลูกนะแม่บ้านนะบอกกล่าวผมได้ผมยินดีรับฟังแต่ช่วงนั้นเด็กเขาพูดทํามาอย่ามโมโหนะทําใจให้เย็นๆทําใจให้สบายๆเอาไว้ ถ้าถ้ามันตั้งโมโหขึ้นมาไม่ได้แล้วเขาพูดออกมาเลยเ ต, ตกบ่งแตกเหมือนกันเถะเน่ยเพราะนั้นเราต้องทําใจเอาไว้เนี่ยเพราะให้เขาตักเตือนเราเนี่ยใช่ไหมเนีถึงยังไงเขาว่าเกินเราก็ต้องหลับตาฟังเอตั้งใจฟังเนี่ยเพราะเหตุอะไรพราะเขาเตือนเราน่ะเนี่ยเขาอาจจะเห็นเห็นความผิดของเราเอา่าเราก็บอกเออเอาแม่บ้านนะลูกนะทุกคนนะถ้าเวนเห็นพ่อทําอะไรที่ไม่ถูกต้องไม่สบายใจของพวกลูกนะครับ พวกแม่บ้านหรือพ่อครอบครัวของเราพ่อก็ยินดีรับฟังนะลูกนะแม่บ้านนะไอ้ น, นี่พ่อพูดแล้วก็แม่บ้านก็เออเนี่ยพ่อบ้านก็ดีลูกๆ ก, ก็ดี <c oughs> <c oughs> เห็นการกระทําของแม่สิ่งไหนที่มันไม่ถูกต้องก็ขอให้ลูกบอกกล่าวแม่นะแม่ยินดีรับฟังทุกคนในครอบครัวของเราเพื่อความผาสุกร่มเย็นในครอบครัวของเราอันนี้ก็คือพ่อแม่ประวรณาจากนั้นก็ลูกคนชาย ลูกชายลูกสาวเลียงลำดับจนไปจนถึงคนจุดทองประวัราณาต่อกันอถ้าหาว่าพ่อเมื่อประวาัรณา์จบแล้วอลูกชายคนเล็กทําอะไรไม่ถูกพ่อแม่จะได้กล่าวเออลูกเอเอลูกในเที่ยวมากเกินไปนะอไปดูหนังดูละครเกินไปนะดื่มเกินไปนะออกนอกบ้านบ่อยเกินไปนะเที่ยวเตะเกินไปนะลูกนะอดูเกมมากเล่นเกมมากเกินไปนะลูกนะ ต่อไปในต้องหยุดนะต้องเชื่อฟังพ่อแม่นะ น, นี่พ่อแม่เตือนด้วยความรักเคารพด้วยความเมตตาอันนี้พวกเราจะได้เตือนกันในที่ประชุมครอบครัวของเราจากนั้นก็ครอบครัวของเราก็จะได้รู้เออข้าเพเจ้าเนี่เดินผิดทางไหนตรงไหนอย่างไรอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์สําหรับครอบครัวของเรานะหรือว่ากิจการงานหรือบริษัททางร้านของเราก็เหมือนกันหรือว่าในสํานักงานของเราก็เหมือนกัน ท่านสำนักงานของเราตั้งแต่ยกตัวอย่างตั้งแต่นั่นเป็นผู้ใหญ่ลงไปก็บอกปร ะ, ประวรณ า, าในที่ประชมุมในที่ประชุมก็ตักเตือนว่ากล่าวกันหลวงพ่อว่าคงจะเป็นประโยชน์ในการบริหารหรระว า, ารอยู่ด้วยกันแต่ถ้าว่าพวกเราต่างคนต่างอย่ข้าก็เก่งคนนั้นก็เก่งไม่โลภมันมองไม่เห็น อย่างที่ว่าผงทุรีเข้าสู่ตาของตนเองมันมองไม่เห็นเพราะเหตุอลไมันใกล้เกินไปแต่คนอื่นเขามองเห็นในเมื่อเขามองเห็นเราก็เขาผว่ากาวเราเราก็จะได้สารวมระวังอย่างที่พระพุทธเจ้าที่ท่านได้วางเอาไว้นี่แหละอันนี้คือส่วนหนึ่งนี่คือวันเป็นวันปรณนาออกพรรษาแล้วก็พร้อมกันในยนุคนี้สมัยนี้หลวงพ่อก็ได้ยิน เรื่องราวต่างๆของพระพุทธศาสนาสิ่งควรบังสิ่งไม่ควรบังสิ่งเหล่านี้พวกเราอย่าไปใส่ใจอย่าไปให้ความสาคัญนอกเพราะในครั้งไหนก็มีทั้งหมดเรื่องกิเลสกิเลสราคะโทสะโมหะโลภโกรดหลงมันมีทุกยุคทุกสมัยในครั้งพุทธกในครั้งพุทธการในพระภิกษุทาความเสียหายก็มีเหมือนกันที่พระพุทธเจ้าสวดพระปฏิโมก ในวันเดือนสามเพนตตั้งแต่วันเดือนสามเพนตวันมาฆบูชาท่านก็สวดพระปฏิโมกแต่วันหนึ่งพระสงฆ์เข้ามาในศาลาเข้ามานั่งประชุมพร้อมกันจะลงอุโบสถแอบฟังพระปฏิโมกคือพระพุทธเจ้าเป็นองค์สวดพระพุทธองค์นิ่งตั้งแต่หัวค่ำพระอนุลกลาบทูลว่าพระสงฆ์พร้อมแล้วพระพุทธเจ้าค่ะขอพระองค์ทรงแสดงพระปฏิโมกพระเจ้าค่ะ แต่พระองค์ก็นิ่งพอถึงเที่ยงคืนอีกพระอนุก็กราบทูลพระพุทธองค์ว่าพระสงฆ์พร้อมแล้วพระพุทธเจ้าค่ะขอพระองค์ทรงแสดงพระปฏิโมกข์ผมเที่ยงคืนแล้วกรับผมพระองค์ก็นั่งเงียบพอถึงจวนตีสามตีสี่จวนสว่างพระพุทธองค์ก็ยังนั่งนิ่งเงียบพระอนุก็กราบทูลว่าอันนี้เป็นปัจฉิมยามแล้วพระพุทธเจ้าค่ะขอพระองค์จงแสดงพระปฏิโมกข์พระพุทธเจ้าบอกว่า พระสงฆ์อยู่ในเขตทศิมมาเนี่ยในที่ประชุมแห่งนี้เป็นพระสงฆ์ที่ไม่บริสุทธิ์ในศีลมีอยู่เพราะฉะนั้นเราจะไม่แสดงพระปฏิโมกข์ในสงฆ์ที่ไม่บริสุทธิ์ในศีลท่านคงไม่ได้บอกพระองค์ไหนอีกเหมือนกันเทนี้พระสงฆ์ท่านเกิดมาประกาศขึ้นมาว่าดูก่อนหมู่พระคณะสงฆ์ทั้งหลายองค์ไหนที่ไม่บริสุทธิ์ในศีลอยู่ในที่นี้ให้ออกให้ออกจากบริเวณนี้ให้ออก ไอ roster, ้องที่อจะออกได้ยังไงใช่ไหมยิ่งหกหมอหดเข้าไปอีกเพราะอายมูเนี่ยพรอพูดจากนั้นพระโมกขลาที่เป็นทันดญาณทัศนะได้ฌานเตียงจิตภาวนาของท่านท่านรู้ว่าองค์ไหนผิดองค์ไหนถูกท่านมูมูคล้ายๆว่ากวาดเลด้าออกไปเลยคล้ายๆบอกเปิดสวิตเลด้าขึ้นมาเลยนะเพราะเปิดสวิตเลด้าขึ้นมา สายเลดาหาเลยเหมือ น, นกันเลยไพเไปเห็นองค์นั้นน่ะ น, นั่งจุกปุกพระโมกคลากัเดินเข้าไปกระตุกแขนออกไปออกไปท่านออกไปข้างนอกพระองค์พอองค์งนั้นออกไปแล้วพระพุทธองค์บอกว่าต่อ น, นี้ไปพระสงฆ์ที่ไม่บริสุทธิ์ในศีลจะมีขึ้นเรื่อยๆในศาสนาของเราตถาคตเพราะนั้นตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเราจะเราจะไม่สวดพระปฏิโมกขขอให้พระสงฆ์เป็นผู้สวด ถ้าว่าเราสวดพระปฏิโมกข์พระสงฆ์ที่ไม่บริสุทธิ์ในศีลนั่งอยู่ที่นี่เออก็เป็นเรื่องโกหกเราเราจะให้ใครโกหกพระองค์ไม่ได้เพราะฉะนั้นขอให้พระสงฆ์เป็นผู้สวดพระปฏิโมกข์นี่แหละตั้งแต่บัดนั้นมาเพราะพระเทวเจ้าก็ไม่ได้สวดพระปฏิโมกข์มอบให้แก่พระสงฆ์เป็นผู้สวดปฏิโมกข์นั่นคืออะไรก็คือศิงสองยยี่สิบของพระนั่นแหละตั้งแต่ข้อแรกจนถึง2องยยีเนี่แหละ อันนี้ก็คือเราจะมาพิถกกกังวลว่าโอ้พระครั้งพุทธยะพุทธครั้งพระครั้งพระพุทธเจ้าคงจะเป็นพระที่บริสุทธิ์ผุดผ่องทุกองไม่ใช่องค์ที่มีกิเลสก็มีองค์ที่ทําความชั่วยช้าเสียหายก็มีองค์ที่เป็นพระอรหันต์ก็มีีมพระอราหันต์มีเยอะในยุคสมัยนั้นแต่ผู้ที่ทําตัวกัลเลกะะลัลวัชตําช้าเรือสามก็มี เพราะนั้นพวกเรามาถึงยุคนี้สมัยนี้ไม่ใช่ครั้งพุทธกาลอีกต่างหากแต่ในครั้งพุทธกาลก็ใช่ย่อยใช่ย่อยเมื่อไหรอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ท่านบวชให้กับพระเท ว, วทัตพระเทวทัตเนี่ยเป็นลูกศิษ ย, ย์พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นคนบวชให้เป็นเชื้อพระวงศ์อันเดียวกันอีกเป็นเชื้อพระญาติพระวงศ์ของพระพุทธเจ้าอีกต่างหากแต่พอมาบวชแล้วอิจฉาว่าพระพุทธเจ้านี่เป็นผู้มีบุญหนักสักใหญ่ แต่ไม่ได้คิดว่าพระพุทธเจ้าบำเพ็ญบารมีมาเท่าไหร่ถึงสีอสงไขยกําไรแสนมหากับที่บำเพ็ญมาเพื่อจะสร้างบารมีเพื่อจะเป็นพระพุทธเจ้าแต่พระเทวทัตมองเห็นแต่ปลายมือไว้พระพุทธเจ้าทําไมเป็นพระพุทธเจ้าทําไมมีคนเขารบนับถือเลื่อมใสก็อยากจะฆ่าพระพุทธเจ้าเป็นตัวเป็นเป็นพระพุทธเจ้าแทนเห็นเห็นมากิเลสพระสมัยนั้นไม่ใช่ธรรมดาเหมือนกันแต่ชกนี้ก็คงจะมีเหมือนกันแต่คราวนั้น เทวทัตเนี่ยคิดฆ่าพระพุทธเจ้าอันดับแรกก็จ้างนายขมังธนูไปยิงแต่พระพุทธเจ้ามีอิทธิฤทธิ์ท่านเขาไม่ให้นายขมังธนูปล่อยลูกศร อ, ออกไปได้ผลในี่สุดก็เอานายขมังธนูเหล่านั้นบวชหมดพอต่อมาเอกขึ้นไปบนเขากลิ้งก้อนหินลงมาสิ่ให้ทับพระพุทธเจ้าอหินกิกระทบปลายพรปลายประบาดพระพุทธเจ้าห่อหน่อยหนึ่ง เทวทัตก็ดีใหญ่เห็นไหมอย่างน้อยกับฟาบาดห่อแล้ววะตีนห่อแล้ววะห่อเลือดแล้ววะลักษณะอย่างนั้นอพอต่อมาก็ให้ไปสมคบกับพระเจ้าอาชาติศัตรูอีกปล่อยช้างนาราคิลิง เ, เพื่อจะให้บทพระพุทธเจ้าในทางแคบๆนะ เ, เหมือนกับตึกทงสองข้างเหมือนกับพวกเราอยู่ในกรุงเทพนะปล่อยช้างออกมาจากโขงแล้วให้วิ่งเข้ามานะ่ะคนก็วิ่งหนี เพื่อจะให้ขยี้พระพุทธเจา้าพระพุทธเจา้จาแผ่เมตตาช้างตอนนั้นก่นหมอปราบโดยพระเมตตาของพระพุทธเจา้าน่ะนี่แหละอันนี้ก็คือพระในครั้งพระพุทธเจา้าเปรียบลุงพ่อพูดให้ฟังนี่ไม่ได้เอออยา่าคล้ายๆว่าพวกเรามองมองในหลายมุมมองในหลายด้านมองมองในหลายสเต็ปมองในในหลายมุมมองอย่าไปมองในมุมเดียวถ้ามองในมุมเดียวตัวเองเห็นพระองค์หนึ่งทําความชั่วตัวเองเลย เป็นชั่วไปเลยไม่เข้าวัดเข้าว่าไม่นับถือพระพุทธศาสนาไปเลยอันนั้นแปลว่าตัวเองเนี่ยกิเลสในใจของเราเนี่ยท่วมท้นมันชอบไปทางชั่วแต่พอไม่เข้าวัดเข้าว่าไม่ศึกษาธรรมะทั้งที่มันจะดีไม่ใช่นะมันจะไหลไปทางต่ําเนี่ยกิเลสราคะโทสะโมหะมีเท่าไหร่มันจะก้มรุมจิตใจของเรามีแต่ไปทางชั่วช้าเสียหายเพราะนั้นพวกเราต้องคิดให้คิดได้หลายมองในมุ้หลายมุมมอง ว่าพระในครั้งพุทธกาลก็มีองค์ที่ดีเป็นพระมวกคราสาริบุตรกัจ ป, ปาอาโนนท่านเป็นพระอาหารหันต์ปีมากแต่องค์ไม่ดีก็มีแต่มาเปรียบเทียบในครั้งของเราอย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นในสื่อต่างๆทุกวันในกาลังดังระเบิดตดเถิงก็มีแต่ว่าพวกเราจะว่าอย่างไรอันนั้นเป็นเรื่องของท่านเป็นนานาจิตตงนางนานาทัศนะ ในใจของเขาของแต่ละคนมันมีกิเลสใน จ, ใจิตใจเพราะนั้นเราจะไปถือว่า อ, องค์นั้นทำไมพระพุทธศาสนาเป็นพระแท้ๆทำไมทำอย่างนั้นไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นพวกเราต้องมุม ม, ม, มองถึงใครจะทำชั่วช้าเสียหายก็ตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามันยังคงเส้นคงวาในสมัยนู้นจับไฟร้อนไหมเดี๋ยวนี้จับไฟร้อนไหมสมัยนั้นก็คือครั้งพุทธครั้งพุทธการ ทำความชั่วก็ชั่วอย่างเก่าทำความดีก็ดีอย่างเก่าชะมาถึงยุกนี้ก็เหมือนกันถ้าไทยใครทําความชั่วก็ชั่วอย่างเก่าถ้าทําความดีก็ดีอย่างเก่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงเเพราะฉะนั้นเราจะทําเราจะจับทำไมไฟก็รู้อยู่แล้วมันไฟเราก็ควรจะจับน้ําแข็งสิ่งที่มันเย็นะจับเงินจับทองจับสิ่งที่เป็นสาระประโยชน์มันจึงจะถูกต้องเราจะมาเปรียบเทียบอีกทีในครั้งนี้ กรรในครั้งพุทธกาลพระครั้งพุทธกาลมีพระสารีบุตรกัจปาอานนโมกคราสารีบุตรนะแต่ในครั้งนี้ครั้งนี้ก็คือหลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นหลวงตามหาบัวหลวงปู่ล่าหลวงปู่ฟัน่นหลวงปู่เทศหลวงปู่เลียนหลวงปูตง่ต่างๆที่พวกเรารักเคารพนับถือที่เป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราเมื่อท่านเหล่านี้ล่วงลับดับขันไปได้พระราชทานเพลิงสรีระของท่าน อธิธฐานของท่านก็ได้กลายเป็นพระาธาตุให้แก่พวกเราได้เห็นได้ศึกษาคือกระดูกที่เป็นพระาธาตุนั้นในหลักของพระพุทธศาสนาแล้วท่านก็บอกว่าอันนี้คือพระอรหันต์ไม่เป็นอย่างอื่นกระดูกของพระอรหันต์ต้องเป็นอย่างนี้เนี่ยอันนี้ก็คือเราเห็นในเป็ น, เ ป, นเป็นรูปประธรรมส่วนนามธรรมใจของท่านเป็นพระอรหันต์นั้นเรามองไม่เห็นเพราะพวกเรามองหาใจกันก็ยังมองไม่เห็นอย่แล้วเห็นแต่ร่างกาย ด้านท่านก็จะให้ร่างกายของท่า น, นเป็นเครื่องบ่งบอกว่าอันนี้คือกระดูกของพระอรหันต์เพราะฉะนั้นพวกเราควรจะมั่นใจว่าในยุคนี้สมัยนี้ก็ ย, ยังมีพระอรหันต์อยู่ถ้าว่าผู้ใดปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอยู่ในหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าถ้า อ, อกตั้งใจปฏิบัติผู้นั้นก็พร้อมที่จะเป็นสําเร็จเป็นพระสําเร็จมรรคสาเร็จผลได้เหมือนที่ว่าสมัยนู้นจับไฟร้อนไหมสมัยนี้จับไฟร้อนไหม สมัยนั้นจับน้ําเย็นไหมจับเงินจับทองเป็นยังไงสมัยนี้เป็นยังไงเหมือนกันแต่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงในทำคําสอนของพระพุทธเจ้าข้อสาคัญให้พวกเราตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติให้แน่วแน่ให้จริงจังเท่านั้นแหะมรรคผลนิพพานยังคงเส้นคงวาเอา่อถือหลวงพ่อเองก็ไม่ได้ยินจากปากาจากคําพูดหลวงปู่ขาวหลวงปู่ขาวท่านว่าสมัยครั้งพุทธกาลเราก็เกิด แล้วก็เกิดแต่เป็นลูกศิษย์ของพระโกกาลิกเนี่ยคือโกกาลิกก็คือเป็นลูกศิษย์ของพระเทวทัตอีกทีหนึ่งพระโกกาลิกเนี่ยบอกว่าท่านให้ทําให้ท่านเสียเวลาเนี่ยพอไปคบกับพระที่เป็นที่เป็นภารชนที่เป็นพระที่ไม่นับถือพระพุทธเจ้าไปอีกมุมหนึ่งทั้งที่ตัวเองจะมาต้องอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติไปพบกับพระอีกมุมหนึ่ง ก็เลยเป๋ไปก็ตกนรกไปอีกเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้พวกเราที่เกิดมาพบพระพุทธศาสนาต้องเลือกคําว่าเลือกก็คือศึกษาพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ให้เลือกหลวงพ่ออินไม่ใช่อย่างนั้นนะท่านเลือกหลงพ่ออินมันใกล้เกินไปให้พวกเราพวกเราเลือกพระธรรมคําสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์เลือกฟังธรรมที่องค์หลวงตามหาบัวท่านเทศกลางคืนท่านอบรมพระอย่างไร หนังสือของท่านเป็นอย่างไรปฏิปทาของพระทูตงกรรมฐานพ่อแม่ครูบาจารย์สายลุงปู่มั่นเป็นยังไงหรือประวัติของพ่อแม่ครูบาจารย์แต่ละองค์เป็นยังไงให้พวกเราศึกษาพอศึกษาแล้วก็นำมาประพฤติธปฏิบัติปรับปรุงกายวาจาใจของเราพวกเรานั่นแหละพวกเราเข้าไปใกล้บัณฑิตนักปราชญ์ต้องยึดคนดีต้องยึดพระพ่อแม่ครูบาจารย์ท่านปฏิบัติดีเป็นผู้นํามันจึงจะถูกนะเราจะไปถือดูกะะลัลเวกัลาดอยู่ข้างเทนงทนน เห็ดหมูหมากาไก่กับยกมือไหว้ทั้งหมดก็ไม่ใช่นะให้พวกเราเลือกนะหลวงตามหาบัวท่านบอกว่าอาหารอยู่ในสำรับกับข้าวยังเลือกเรายังเลือกอันนี้คือกระดูกอันนี้คือก้างอันนี้กินไม่ได้อันนี้กินได้เรายังเลือก mm. เราอยู่ในโลกวัตถสงสารกว้างต่อกว้างทำไมเราจึงไม่รู้จักเลือกอบันฑิตานันจะเสวนาอาเซวนาจะบาลานังบันฑิตานันจะเสวนา มีทั้งพานมีทั้งบัณฑิตในโลกเนี่ยพระพุทธเจ้าไม่ใช่ว่าให้ครบดีทั้งหมดไม่ใช่บัณฑิตนั่นคืออะไรบัณฑิตก็คือพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจา้าให้ศึกษาที่สินห้าพระพุทธเจา้าศินแปพระพุทธเจา้าพระพุทธเจ้าแนะนําสั่งสอนสิ่งไหล น, นั้นเลยคือบัณฑิตนักปราชัยให้ปฏิบัติตามธรรมคาสอนของพระพุทธเจา้านั่นแหละบัณฑิตนักปราชัยที่แท้จริงนะ่ยไม่ใช่ว่าหลวงพ่ออินเป็นบัณฑิตนักปราชัยไม่ใช่นะอย่าไปหาว่าหลวงพ่ออินเป็นบัณฑิตนักปราชัย บางทีหลวงพ่ออินดูให้ใครนแต่โอยันฑิตนักปราชญ์ทำไมพูดอย่างนี้วะไม่น่านับถือไม่น่านเลื่อมสายจะว่าไปอีกแต่ทำคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นสวากขาธรรมตรัสไว้ชอบแล้วถ้าเรานำมาคิดนำมาพิจารณากันกลองไตรตรองเหตุและผลแล้วมีแต่ความร่มเย็นผาสุขทั้งนักอย่างศีลห้าของพระพทุทธเจ้าเรื่องทานเรื่องศีลเนี่ยทไมพระพุทธเจ้าจึงสอนให้ทาน ทั้งที่ตัวเองหามาด้วยความยากลําบากทําไมจึงสอนให <Flow. S 2> ้ทานแสดงว่าเราพระพุทธเจ้าสอนให้คนโง่ตัวเองหามาด้วยความยากลําบากต้องเสียสละให้คนอื่นไม่ใช่อย่างนั้นพระพุทธองค์บอกว่าการอยู่ด้วยกันหนึ่งมันต้องมีการเสียสละมีพ่อแม่ก็ต้องเสียสละให้ลูกเลี้ยงลูกมากับด้วยความรักด้วยความเสียสละในเมื่อพ่อแม่เลี้ยงดูเรามาแล้วเราก็ต้องเสียสละให้แก่พ่อแม่พ่อแม่เจ็บไข้ได้ป่วยยังไง ขาดเหลือขาดตกอะไรที่ท่านเลี้ยงดูเรามาแล้วเราก็ต้องตอบแทนแตอนนี้เมื่อพวกเราอยู่ด้วยกันเป็นเพื่อนมนุษย์คนตาดีก็ต้องเห็นคนตาบอดแล้วก็จูงเขามือเขาอันนั้นเหวอันนี้บ่อนะเอนนก็ต้องให้คําแนะนําเขาอันนี้ก็คือเป็นการเป็นฐานะจากนั้นเขาไม่มีอาหารจะ ก, ก, กินจะกินแล้วก็ต้องให้เขานี่แหละคือการเสียสละสรุปเพื่ก็คือผู้ที่เหนือกว่าต้องให้ผู้ด้อยกว่า มันจะอยู่จึงจะอยู่ด้วยกันด้วยความร่มเย็นป่าผ้าสุกแต่ถ้าว่าพวกเราไม่มีการ ม, มีไม่มีน้ําใจต่อกันไม่มีเมตตาต่อกันไม่มีการเสียสละต่อกันแล้วโลกทั้งโลกนี่จะเดือดร้อนวุ่นวายจะหาความสงบร่มเย็นเป็นสุขไม่ได้โลกไปนี้ถ้าว่าขาดขาดคาทานะคือการเสียสละต่อกันเออย่างหลวงพ่อพูดอยู่นี่นะอันนี้คือธรรมทาน คือชี้แนวทางให้แก่พวกเราทั้งหลายได้ฟังได้ศึกษาอันนี้ผิดอันนี้ถูกนะลูกหลานนะข้นะาหนาัตยาญาติโยมนะ น, นี่อันนี้คือธรรมทานวิทยาทานก็คือโรงร่าโรงเรียนเขาสอนวิชาอาชีพให้ซึ่งกันและกันเมื่อเจ้าเป็นใหญ่ขึ้นมาเจ้าต้องมีวิชาอาชีพอย่างนี้อย่าง น, างนี้อย่างนี้นะนีอันนี้ก็คือวิทยาทานอามิษทานก็คือเนี่ยการเสียสละเข้าน้ําโวชนาอาหารแบ่งปันกินอยู่กันกินเงินคําทรัพย์สมบัติอันนี้เรียกว่าอามิสท า, าน อภัยทานก็นคือให้อภัยซึ่งกันและกันการอยู่ด้วยกันบางทีก็ทําไม่ถูกผิด อ, อกผิดใจกันบ้างแต่ก็ต้องให้อภัยอภัยทานนี่แหละอันนี้คือทานะศีลคือรักษากายวาจาให้เรียบร้อยอย่าให้มันมีโทษเอาใจเขามาใส่ใจเราเอาใจเราไปใส่ใจเขาอันนี้เรื่องศีล เ, เราไปฆ่าเขาเขาก็เดือดร้อนเขามาฆ่าเราเราก็เดือดร้อนเราไปขโมยของเขาเขาก็เดือดร้อนเขามาขโมยเราเราก็เดือดร้อน เราไปไม่เคารพสิทธิสามีภรรยาลูกหลานของเขาเขาก็เดือดร้อนเขาไม่เคารพเราเราก็เดือดร้อนเราไปโกหกเขาขเขาก็เดือดร้อนเขาไม่เขามาโกห ก, ก, กเราเราก็เดือดร้อนถ้าเราดื่มสุลาเข้าไปแล้วเมินเมากขาดจติตใแล้วเกะกะละลานฆ่าคนนั้นขโมยคนนี้อประพฤติลาบละล่วงสามีภรรยาลูกหลานโกหกด่าไปหมดโลกทั้งโลกก็จะเดือดร้อ น, นวอนวายอนี่แหละคือศินของพระพุทธเจ้านี่แหละเรื่องทานเรื่องศินแต่ส่วนเรื่องภาวนา คือทำจิตใจให้สงบคนเราเนี่ยถ้าจิตใจมันปุงฟุ้งก็หาความสงบหาความสุขไม่ได้เพราะพระพุทธเ จ, จ้าจึงไปค้นคว้าศึกษาเรื่องของใจใที่เป็นออกจากเวียงวังไปนะไปอยู่ทั้งหกปีไปค้นคว้าศึกษาเรื่องของใจใจเป็นยังไงมนุษย์ของเราเนี่ยมีอะไรอยู่ในตัวของเราเพราะพระพองค์ไปค้นคว้าศึกษาเรื่องจิตวิญญาณเรื่องนามธรรมไปค้นคว้าศึกษากายกับใจอาศัยกันอยู่ ในร่างกายของเรามีสองมีรูปธรรมและนามธรรมรูปธรรมคือร่างกายนามธรรมคือจิตใจเมื่อจิตใจสงบภาวนากำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกจิตของพระองค์เข้าสู่ความสงบรวมลงเป็นหนึ่งพระองค์รู้ได้ด้วยองค์พระองค์เองว่ากายกับใจคนลอนกันตัวร่างกายส่วนร่างกายนี้ตายแตกตายสลายแน่ไม่เป็นอย่างอื่นสู่ดินน้ำลมไฟเผาแน่เอาขึ้นจูเมนแน่ เอาไปฝังที่หงส่วยแน่ร่างกายแต่นามธรรมคือจิตใจนะ่คือตัวรู้รู้ตัวตัวนึกคิดตัวนีนะ้ตัวนี้ไม่มีป่าช้าพร้อมที่จะออกจากร่างกายไปปฏิสนธิในภพภูมิต่างๆได้ถ้าหลวงพ่อเนีมาเปรียบเทียบให้แกพวกเราใ ห, ให้เห็นได้ง่ายๆก็คือร่างกายเหมือนกับรถส่วนจิตใจนะันคือเหมือนกับคนขับรถคนขับรถกับร ถ, บรถมันอยู่ด้วยกัน แต่พระพุทธเจ้าให้ความสําคัญคนขับรถมากกว่ารถเออพระพุทธเจ้าท่านมโนปุพังคมาธรร ม, มามนโนเสรษฐามโนมายาเรื่องทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสําเร็จแล้วด้วยใจอันนี้แหละพระพุทธเจ้าไปค้นคว้าศึกษาถึงหปีได้สูตรสําเร็จมาแนะนําสั่งสอนพี่น้องประชาชนจิตทาญาติโยมอย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังได้ศึกษาเพราะฉะนั้นในวันนี้หลวงพ่อได้ ให้แนวความคิดแก่พวกเราคณะสัตยาญาติโยมที่มาเกี่ยวข้องกับวัดหลวงพ่อเออไม่ให้มองแคบแคบให้มองหลายๆมุมมองให้มองกว้างๆให้มองด้วยหลักเหตุผลให้มีใจมีศีลมีธรรมแล้วก็ให้จิตใจมุ่งมั่นจิตใจหนักแน่นต่อศีลธรรมอย่าวันไหวไกวแหว่งต่อเรื่องทั้งหลายทั้งปวงโลกทั้งโลกมันเป็นอยู่อย่างนี้แหละออที่เราเกิดมาพบหน้าชาติหน้าเราก็จะเห็นอีก อย่างนี้แหะอาจจะมากกว่านี้ก็ได้แต่พบนี้ชาตินี้เรามาเห็นขนาดนี้เอาเถอะถึงใครจะเชี่ยวชั่วช้าเสียหายอย่างไรข้าพเจ้าจะเป็นคนดีคนหนึ่งข้าพเจ้าจะเป็นคนดีเราจะเป็นพระดีเอข้าพเจ้าจะไม่ทําสิ่งที่มันชั่วช้าเสียหายที่มันไม่ดีข้าพเจ้าจะไม่ทําเราจะทําดีให้ตั้งจิตตั้งใจในใจของเราไว้อย่างนั้นเพราะฉะนั้นวันนี้ หลวงพ่อได้กล่าวเบื้องต้นเกี่ยวกับวันสําคัญในทางพระพุทธศาสนาแล้วขอเป็นวันปฏิบัติธรรมบรรพวารณาประวัตประวารณาตัวอย่างไรประสงค์ปวารณาอย่างไรพวกเราจะนํามาประยุกต์ใช้ในครอบครัวของเราได้ไหมอย่างนั้นกหลวงพ่อได้พูดเรื่องการเป็นอยู่ในหลักของพระพุทธศาสนามีทั้งดีมีทั้งชั่วมีพระดีพระชั่วทำไม ยุกนั้นสมัยนี้ก็เหมือนกันอะไรก็พูดเรื่องทานคำสอนของพระพุทธเจ้าเรื่องทานเรื่องศีลเรื่องภาวนาที่ท่านพระพุทธองค์ไปนั่งภาวนาในป่าท่านประจําแน่ย่างไรอันนี้ก็ขอให้พวกเราชาวญาติโยมทุกทุกท่านนะได้รับรู้รับทราบต่ อ, ตอนนี้ไปรับพอรอนโมทนาให้พร